เมื่อวานได้มีโอกาสนั่งสนทนาหลวงพ่อตรงนี้หลวงพ่ อ, เ, อเขียน็มาดูงานก่อสร้างหลวงพ่อเพ่อหลวงพ่อดูดูดูหลวงพ่อชอบดูให้เอางานกรรมฐานเป็นหลักที่นี้เราปักหลักปักฐานด้วยงานกรรมฐานเป็นหลัก ตอนนี้กำลังขยายตัว mm hmm. การก่อสร้างก็เป็นผลเนื่องมาจากการขยายตัวของกรรมฐาน mm hmm. ที่เดินจงกมที่นั่งสร้างจังวะ mm hmm. เป็นเรื่องกรรมฐานแล้วก็ปริมาณของคนที่เข้ามา mm hmm. ส่วนหนึ่งก็เน้น mm hmm. การฝึกหัดจิตจริงๆ mm hmm. ในวา ร, รูปแบบปฏิบัติ วิชากรรมฐานต้องนั่งสร้างจังหวะต้องเดินยงกลมบางทีฝนมันตกกลมที่เข้ามากันก็เข้ามากันเป็นบางทีเป็นร้อยอะนะชั้นบนก็ต้องมีที่เดินที่นั่งชั้นล่างก็ต้องมีที่เดินที่นั่งบางทีทั้งคนเก่าคนใหม่มาก็เคล้ากันไปก็ดูไม่เหมาะเพราะว่าเวลาฝึกหัดกันฝ่าตัวจะสุกงามก็ไม่ กลุ่มที่มาศรัทธายังไม่เกิดความเชื่อยังไม่มีกนะ็ต้องปลุกเล้ากันชีนะ้จุดนะเป้าหมายของการมาคนเกา่าๆก็ต้องการต่อยอดก็ต้องปรีกบริเวณนี้แหละเวลาฝนตกก็ไม่รู้จะอยู่กับมุมไหนมาก่อนขยายกัน3ามครั้ง4ี่ครั้งแล้วที่นีน่ต่อเติมกันก็หมายถึงว่าการรมฐานมนพาทำ คนที่มาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยพาให้ทำแล้วมันไม่ใช่เป็นเชิงธุรกิจถ้าเชิงธุรกิจนั่นไม่ใช่แบบนี้แน่นอนจะ mm hmm. เป็นธุรกิจนยจะออกแบบให้ดีที่กินที่อยู่ที่หลับนอนที่ขับถ่าย mm hmm. จะบริการนี่เหมือนกับว่ามาแล้วก็เรียกว่าต้องมาซ้ําๆติดอกติดใจกันแต่ที่เราจะใช้ธรรมชาติดิ บ, ดบ ต้องชาติดิบๆสิ่งแวดล้อมดิบๆแล้วก็เหตุปัจจัยของความดีความเจริญที่เราเจริญสติแล้วสติมเจริญกลายเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราก็จึงอาศัยสปายะแบบนี้แหละสปายะสบายสปายตัวเดียวกันสปายสบายสปายะคือสะดวก ที่อยู่ที่หลับนอนสะดวกเครื่องนุ่งห่มสะดวกอาหารการกบฉันก็สะดวกอากาศก็สบายการพูดสบายแล้วที่สำคันก็คือรูปแบบปฏิบัติที่มันเป็นลักษณะของสุขาวิปัสสโกปฏิบัติอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศถ้าทําเป็นนะทำเป็นแล้วง่ายแต่ถ้าทําทไม่เป็นเนามันมีความรู้สึกเลยนะ มันยุ่ ง, ย, ง ย, ายากบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านนะเดี๋ยวก็เบื่อ mm hmm. แต่ว่าเก็บอารมณ์เข้มนี่จะเจอกันมากอารมณ์เบื่อนะคราวนี้เบื่อทําไงนะก็มีสติหยิบความเบื่อมาใช้นะแต่มีสติมีปัญญานะมันหยิบความเบื่อมาใช้นะมันจะถูกนําไปเบื่อความทุกข์ที่เราหลงนะมันจะไม่ใช่เบื่อปฏิบัติ มันเบื่อความทุกข์ที่เราหลงเพราะเบื่อความทุกข์ที่เราหลงเรารู้เลยเหตุเนื่อมาจากเราไม่รู้สึกตัวไม่เคยฝึกกรรมฐานจนทำให้เป็นพอมนทำเป็นแล้วมันกลายเป็นว่าความเบื่อเป็นประโยชน์ความเบื่อเป็นเป็นเพียงแค่อาการมันไม่ใช่ว่าเป็นอาการที่จะทำให้เราเหมือนกับว่าไม่ปฏิบัติต่อไม่เดินโยกรมไม่สร้างจังหวะ ในพระช่วงเก็บอารมนี่ต้องใช้รูปแบบผ่านอย่างเดียวเลยนะการเดินแตละขณะแตละขณะเข้าสู่สภาวะปกติของจิตเหมือนการวางกายวางใจนะต้องมีศิลปะนะศิลปะมีเทคนิคการปฏิบัติสังเกตให้เป็นตัวสังเกตเบื้องต้นเป็นตัวปัญญาหรือว่าธรรมาวิช ย, ยะตัวสังเกตเป็นเราจะรู้จักน้ําหนักของการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง การที่เรายืดหยุ่นการที่เรารู้จักระยะถ้าตึงไปมันก็เป็นทุกข์ปฏิบัติแบบอัตตกิเลมฐานโยกเงี้ยนะ่ถ้าย่อนไปมันจะหลงไปทางตาอูจะวลเรียนก็เป็นกราร ม, มาสุขาริการโยกอย่างเนี้ยนะความีความพอดีเราก็ไม่ประคองนะความพอดีแล้วไม่อยากได้ด้วยแล้วแต่ถ้ามันทําถูกมันก็แสดงถ้าทาไม่ถูก รู้ว่าเหตุของพระไตรลักษณ์ที่ครอบคลุมที่เขาสแสดงสัจจากความจริงเป็นลักษณะของสัจจะประเพณ์เราเห็นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเงี้ยเราก็เห็นแลยโอ้มันไม่ใช่สุขทุกข์มันเป็นเพียงแค่อาการเงี้ยมันจะได้เห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะีมันก็จะเห็นแจ้งแบบนั้นไปปฏิบัติธรรม มันไม่ใช่ว่าอาการทุกๆอาการเหมือนกับเราติดติดกัดกัดตาก็ามีสติมีปัญญาจะผ่านทันทีหลุดพ้นทันทีวิมุตทันทีเป็นนิพพานทันทีขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นนิพพานจิมลองไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนกับว่าปฏิเสธไม่ได้การประทานเมื่อไปบานลงไปจะเห็นสภาพธรรมต่างๆแสดงหรือว่าปรากฏออกมาแน่นอนเป็นบนข้างเคียง อยู่ดีๆน้ำํำอยู่ในขวดเมตากร์มันก็แยกกันอยู่ระหว่างตะกรนกับน้ำํำบันดีเคลืนดีนึกสนุกไปเขย่ามั น, นไปกวนมันนี่ ม, นนมันก็ฟุง้ง น, นั่นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติการนะเพื่อมาเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนะเมื่อเราเคลื่อนมือในรูปแบบแต่งจงกรมนั่งสร้างชัว่ววยุบเนอพองเนออะไรก็เออนะมันนีไม่พ้นหรอกนะ จะต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดอาการขึ้นมานะเป็นผลข้างเคียงนะจะใช้อะไรกวนะจะใช้ไม้กวนจะใช้เหล็กกวนจะใช้ปัตติกวนะจะใช้อะไรกวนก็เถอะนะอันนั้นเปรียบเหมือนรูปแบบนะแต่เที่ยักประถูกกวนจิตถูกกวนมันไม่ไดนะ้เป็นนิสัยที่เราเคยชินนะมันเป็นนิสัยใหม่ที่เราต้องฝึกเกินไว้รู้สึกเ่อนไวรู้สึกโอ้ มันจะต้องแสดงมาทันทีของมันมีก็ต้องแสดงบนทินเครื่องเศร้าหมองไปในจิตใจที่มนอนเนื่องอยู่ในกำมบนสันดานเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยนะแสดงออกมาให้เราได้รู้จักนะเราได้กันกรองนะเลือกเฟ้นนะเลือกเอาสภาพธรรมนะที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะวิธีเลือกก็คือไม่ใช่เรื่องของนะตันหาปาธรรมแต่เรื่องหน้าที่ที่จะต้องหยิบมาใช้เช่นนะ ความง่วงเนี่ยปฏิบัตนะิมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็ยังเห็นนะบางคนก็นั่งซึมๆหลับตางกแงก้ยนะก็ยังมีอยู่เหมือนกันปฏิบัติเข้มตัว น, นี้ อ, อีกประมาณสิบกวันนะจะนับถอยหลังแล้วแนะต่ละวันแต่ละวันก็ควรตั้งหลักเลยว่าจะผ่านอารมณ์ไหนนะตั้งเลยวันนี้เราจะซดกับความง่วงทั้งวันเลยนะตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยนะวันนี้จะซดกับความเบื่อทั้งวันเลย วันนี้จะซัดกับความปรุ้งทั้งวันเลยเอามานัานขนาดนั้นนะนะนี่แหละอันนี้ก็คือปักหลักลงไปกรรมฐานในตัวเราเป็นสติปัฏฐานการเคลื่อนไหวรู้สึกในรูแปแบบแล้วปักลงไปปักหลักปักฐานไม่งอนเงยนคอนแกนให้ใจมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่การเคลื่อนไหวของกายหรือว่าของจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งหรือว่า เป็นฐานของปกติธรรมจิตใจนิ่ว่างมันว่างเพราะมันรู้มันเลยว่างธาตุรู้ธาตุว่างมันมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนเดี๋ยวจะขออ่านซ่อมวันนั้นที่หลวงพ่อคำเขียนท่านให้อ่านนะเกี่ยวกับเรื่องของวันวิสาขาบูชานะที่องค์การสาธชารณชาติ ได้เฉลิมฉลองวันนั้นไม่ได้เอแว่นตามาแล้วทีมกันพอไปนั่งอ่านโอ้ยนาสุดท้ายนี่มันสคัญนะใจความที่มันาคัญอยู่ที่นาสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อ่านเดี๋ยวมาอ่านอีกทีหนึ่ง mm hmm. เราก็าฟังกันดูลุงพ่อจันทำไมถึงให้อ่านวันนั้นโอ้มันเป็นเรื่องของสากหตุ คำพูดมันเป็นลนักษณะของคนที่เขามีาวุต ธ, ธิภาวะกุณวุธววยวุตมีน้ำหนักเวลาพูดขึ้นมาเนี่ยพอเรามาฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออคำพูดเ็ามีความหมายมากเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาและยเทมกันยิ่งเราเข้าถึงตัวปฏิบัติเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันใช่จริงๆริงะคำกล่าวของนายบัรคีมุลก็ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีพุทธยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องจากปี 2,555 นี้เป็นปีที่เฉลิมฉลองปีพุทธยันตีหรือ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนาจะมีการเฉลิมฉลอง SIU จึงของนำถ้อ ย, อยอแถลงของนายบันคีมุลเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติที่แถลงเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2554ที่ประเทศสหารัฐอเมริกามาแปลแล ะ, ละเรียบเรียงโดยมีเนื้อหาดังนี้แนวเล็บขออธิบายให้แฟนๆของไอ ส uh, i u ยเข้าใจเพิ่มเติมว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฉลองปีพฤศจกัดสราส2555ส่วนใหญ่ฉลองแล้วเมื่อปี2554เพราะนับปีพศหนึ่งตั้งแต่พระเจ้าปรินิพานเลยต่างกันกับของประเทศไทยปีหนึ่งที่ นับเริ่มปีพศหนึ่งหลังจากพระพเจ้าเสด็จดับขันพระริพานไปหนึ่งปีเพราะประเทศไทยครบวันวิสาขาบูชาปีนี้ประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ฉลองไปตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นประเทศศรีลังกาเป็นต้นผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่จะร่วมฉลอง โอกาสพิเศษนี้กับพวกคุณทุกคนและเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อตัวผมเองด้วยเนื่องจากมันดาของผมก็เป็นพุทธศาสนิชนผมยังจดจำคำสอนเกี่ยวกับพระศาสนาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในวัยเยาว์ได้ดีคุณค่าแห่งภูมิปัญญา เมตตาธรรมการุนธรรมและสันนิธรรมคำสอนเหล่านี้มีคุณค่ากับช่วงชีวิตของผมในวัยเด็กมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ผมหันมาสนใจงานภาคสังคมเมื่อสามปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เยี่ยมชมหนึ่งในสังเวียนนี้ยสสถานก็คือสวนลุมพินีวัน อันเป็นที่ประจุของพระเจ้าที่ประเทศเนปาลผมเดินไปรอบสวนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และความเงียบสงบก็ได้สอนเรื่องราวต่างๆให้ผมอย่างมากมายศา ส, สนาพุทธและองค์การสหประชาชาติเป้าหมายสูงสุดที่ตรงกันคือมุ่งอยากจะเห็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นกับโลกการให้เกียรติเชิงกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างพึงกระทำตามหลักของสิทธิมนุษยชนเป็นระยะเวลากว่าสิบปีแล้วที่ได้มีการยกย่องให้เป็นวันวิสาขะบูชาเป็นวันสำคัญของโลกในเวลานั้นตัวแทนจากประเทศศรีลังกาได้กล่าวอมตะวาทะไว้ว่าผู้นำสามารถนำให้ชนะสงครามเหนือคนมากกว่าล้าน แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่สามารถเอาชนะตนเองได้สิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงคำคำหนึง่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในวงเล็บยูเนสโกตีว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรา ไปในจิตใจของมนุษย์เราก็พยายามนิ่งลนสแสวงหาความสงบในโลกของเราที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งองค์การสหประชาชาติก็มีหน้าที่ที่จะพยายามสร้า ง, ส, าง ส, สันติสุขให้เกิดแก่โลกทั้งการดำเนินการทาหน้าที่ที่ไกลเกลี่ยการเปิดการเจรจาและการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อที่จะลดเงื่อนไขของความขัดแยง้งความไม่เป็นธรรมความหิวโหวยและความยากจนและรวมไปถึงการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ให้เราได้พึ่งอาศัยด้วยกันในความพยายามสูงสุดของเราเราสามารถเรียนรู้จากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระ เ, เจ้ากว่า 2,600 ปีที่ท่านตรัสรู้ สิ่งที่ท่านตัดสู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ก้าวหน้ามากท่านได้สอนถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทุกๆวันนี้ก็ได้ไปสู่แล้วว่ า, วาสิ่งที่ท่านได้ตัดสู้นั้นเป็นความจริงเราเห็นการเชื่อมโยงการทั้งการเดินทางทางอากาศ บนโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งในสื่อของสังคมออนไลน์พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่รู้สึกไม่มั่นคงจากภัยคุกคามทั้งโรคระบาดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและภัยธรรมชาติและพวกเราก็สามารถรวมตัวกันเพื่อเอาชนะปัญหาต่างต่างที่ผ่านมาและเข้ามาได้ พวกเราประเชิญโชคชะตาร่วมกันกว่า 2,600 ปีมาแล้วที่พระเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์และธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าแนวทางดังกล่าวส่งผลต่อเราโดยตรงเมื่อเราปล่อยให้แหล่งน้ำและแหล่งทรัพยากรเป็นพิษ ผลกระทบเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาหาเราและเมื่อเราร่วมมือกันอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ให้เราได้เพึ่งต่อไปว่า 2,600 ปีมาแล้วที่พระเจ้าทรงตัดสอนให้เราถืออหิงสาและเคารพสิ่งมีชีวิตทั้งปวงวันนี้ เราอยู่ห่างไกลจากหลักธรรมอันประเสริฐแต่พวกเราเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เร่งด่วนจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานบนกรอบของความคิดและการพัฒนาแห่งสหธรรมซึ่งมุ่งเน้นความเข้าใจกันระหว่างกันและกันเป็นอันดีและก็สแสวงหาหนทางแห่งความสันติสุขสันติภาพ พระเจ้าได้สอนมาตลอด 2,600 ปีที่ผ่านมาและคำสอนของท่านก็ยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ดังนั้นการที่เราเฉลิมฉลองครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเตือนตัวเราเองทุกๆคนให้รู้ซึง้งถึงคำสอนที่ท่านได้เคยพร่ำสอนเราให้เราได้มีความเคารพ ซึ่งกันและกันในทุกทุกศาสนาและทำให้เราได้กระทาการเพื่อประโยชน์เพื่อสันติสุขของคนทั้งต่วงแล้วหลวงพ่อให้อ่านต่อธงฉับพันตรังสีมีอะไรซ่อนอยู่ธงฉับพันตรังสีเราจะเห็นเวลาไปทางเนปานหรือว่าทาังคองมหายานจะมีธงฉับพันตรังสี ช่วงปี 2,554 ถึง 2,555 เป็นช่วงที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องของพุทธยยนตีเราก็จึงมีโอกาสที่จะได้เห็นธงสีสันแปลกๆติดอยู่ตามบ้านสำนักงานโรงแรมของชาวพุททั่วโลกได้ว่าหากเราเดินทางไปยังประเทศต่างๆเช่นประเทศอินเดียสีลังกาเป็นต้น ตรงนั้นมีชื่อเรียกว่าธงฉับพันตรังสีคำกล่าวฉับพันตรังสีแปลว่ารัศมีหประการซึ่งสีที่ปรากฏบนธงมีความหมายอยู่ในตัวดังนี้หนึ่งสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินในวงเล็บนีละอันนี้เขียวเหมือนดอกอัญชันก็หมายถึงว่า เป็นความเมตตากรุณาขององค์เส็มเสธรรมมาหรวงเจ้าแห่งการตรัสรู้ธรรมแล้วยังได้นำธรรมะนั้นมาสอนให้แก่ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ด้วยซึ่งชาวพุทธสมควรจดจำเป็นแบบอย่างเป็นพื้นฐานในการไปผัดตนสองสีเหลืองในวงเล็บปีตะเหลืองเหมือนหอระดานหมายถึงทางสายกลาง ที่เหลือเลี่ยงจากการใช้ชีวิตในทางสุดต่งโดยต้องรู้จักปรับใช้มรรคผลองศาในวงเล็บความเห็นชอบความคิดชอบสนทนาชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบสติระลึกชอบสมาธิชอบให้เข้าให้เข้ากับวิถีชีวิตให้ได้สามสีแดงในวงเล็บโลหิตะ แดงเหมือนตะวันอ่อนหมายถึงพรแห่งการอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตด้วยการประพฤติตามหลักธรรมพระวินัยโดยทำยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิสสี 4. สีขาวโอทาตะขาวเหมือนแผ่นเงินหมายถึงความบริสุท ธ, ธิ์สอาดหมดจดบริบูรณ์ที่มีอยู่แล้วของพระธรรม ที่ได้พิสูจน์แล้วสามารถน้อมนำมาใช้ได้จริงเพื่อให้พ้นทุกข์ได้อย่างไม่จำกัดการห้าสีแสดมัดชฌิทะสีหงสบาทแสดเหมือนดอกงอนไก่หมายถึงพระปัญญาญาณขององค์สมเด็จสัมมาว่เจ้าที่สามารถจะค้นพบหลักสัจธรรมและพุทธวิธีในการสอนให้ผู้อื่น ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมหกสีประพัสอนในวงเล็บประพัดสะเรื่องพลายเหมือนแก้วผลึกหมายถึงความรู้แจ้งที่รวมเอาไว้ทั้งห้าข้อแรกเอาไว้ด้วยกันเป็นการบอกว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจปฏิบัติตามห้าข้อแล้วนั้นจะทำให้เราน รู้จักมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกในหมวดที่เรียกว่าพระธรรมสังกขีนีเล่มหนึ่งภาคที่หนึ่งในพระไตรรมฎเจ็ดคำมพี์บรรยายว่าพระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์ได้ทรงแสดงพระไตรธรรมเจคัมภี์ เมื่อพุทโธองได้แสดงนะเริ่มตั้งแต่พระคำมีที่ 1-6 ่ถนะึงเช่นพระสังฆนะีวิพังคะประกรณนะ์ทาตุกถาเลอปุกคละบัญญัติกนะถาวัตถุปรกรณนะ์ยมกประกรนะ์เป็นการแสดงให้รู้สภาพธรรมต่างความเป็นจริงของประวัตนะิธสภาวะธรรมทั้งปวง เราะมีทั้งหลายนะก็ไม่ได้สร้างออกไปจากพระรีละ <c oughs> แต่เมื่อทรงแสดงคำภีที่เจ็ดนะเรียกว่ามหาประธานอันเป็นพิธธรรมประเสริฐยิ่งนะเริ่มพิจารณาว่าเห hey, ตุปั จ, จโยอาลามันปั จ, จโยนะอวิกาตปั จ, จโยดังนีนะ้ด้วยสัพพันตายญาณของพระรองค์ของทุกๆพระองค์ฉับพันตรังสี ที่ซานออกมาห e Korean, iedzieć, ลังจากที่ทรงพิจารณาอวิธรรม7จัมภีร์เมื่อมาถึงคัมภีร์ของมหาปัฐานอันนี้ก็ทําให้ลังสีแผ่ซ่านออกมาอย่างมากมายก็จบแค่นี้ก่อนก็เป็นลักษณะของเวลาเราไปทำเราสังเกตนะนะรูปฟังธรรมเราสังเกตได้เวลาฟังธรรมแล้วมันก็รู้สึกใจห่อ จิตซึมๆอันนี้ก็คือมันไม่มีรังสีในตัวเราอะธารู้ไม่ไปสู่ธาตรู้ถ้าทําไม่ไปสู่ธาตุทำธาตบ้างไม่ไปสู่ธาตุบ้างของตัวผู้แสดงกับตัวเครื่องรับเพราะฉะนั้นเมืเจ้าเราฟังให้ดีนะแล้วเพราะท่านเริ่มต้นท่านบอกว่าถ้ามีเครื่องรับก็จะกระใจทำไหะว่าท่านพูดอะไรเครื่องรับระหว่างของกันแล้วกันเพราะฉะนั้นรังสีนี่มันก็แผ่ไหมรังสีทำ ทุกทีเราสังเกตว่าคนมีรังสีอมตะนะรังสีอมตะมก็ผ่านมากระทบเราเหมือนกันเวลาเขาโกรธเร า, าก็โกรธด้วยเวลาใจาาก็ไม่สบายเราก็ไม่สบายได้ไปอยู่ใกล้คนป่วยเราก็ห่อเหี่ยวไปด้วยอย่างนี้ยเป็นต้นนั่นว่าจับพันรังสีเราก็พิสูจน์ได้แล้วคนมีเมตตาเราก็สัมผัสได้รังสีเมตตาออกทางกายว่าจจใจนําเป็นยังไงอย่างเงี้นะก็พูดให้ฟังนะเป็นเรื่องของธรรมะตั้งแต่โยงเรื่องหลวงพ่อมาแล้วก็ อ่านให้ฟังเป็นการซ่อมคำพูดปะเห็นว่าโอ้มันมีความหมายมากการที่เราเอาสุดตามย็นยำยาก็คือจากแหล่งข้อมูลตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจอ่จอพวกนั้นนะ เ, นเป็นปรั โ, โตโคสะเป็นฐานข้อมูลที่มาจากภายนอกส่วนกรรมฐานนะแลน้วไนที่เราปฏิบัตเิเป็นข้อมูลจากในตัวเราอาการของกายอาการของใจเราลูบทามนามธรรมขันท่าของเราอันเนี้ เรากลับมาดูเราก็เห็นมันเชื่อมโยงกันนะข้างในข้างนอกข้างนอ ก, ข, นอกข้างในเป็นเชื่อมโยงเป็นสุดแตรร่ป็นย่ปัญญาเป็นจินตาเป็นา่ำญาแล้วก็ภาวนาเัญนย่ำญาตุภาวนาเกิดจากเราตรงตร ง, ตรงเห็นในตัวเองแล้วเราสามารถพึ่งใจตัวเองได้เราก็ยกไปพัฒนาไปเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นต้นก็จึงมีประโยชน์มากการที่เรามาอยู่วัดป่าสวกโตทั้ง หลวงพ่อเขียนหนะรือว่าสปายยะของวัดป่าสุกตโตได้พระรูปแบบเทคนิคปฏิบัติแนวหลวงพุทเทียนเนีมันง่ายนะจริงๆแลถ้าเราฝึกดีๆเคลื่อนมือรู้สึกโอ้พนั้นบวชนะไม่ว่าจะเป็นเนนเป็นพระเป็นชีเป็นญาติโยมบวชไม่บวชไม่เกี่ยวแค่นะ ว, ว่ารู้สึกตัวเป็นไม่ละถ้านะรู้สึกตัวเป็นโอ้ยงานการของเราเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงแร้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะนะอย่างมาเช้าที่หลวงพ่อเทศไว้นะ ไม่ต้องกลัวเลยหลังนินทาสันเสริมมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดโลกธรรมแดมันไม่ได้หวันไหวอะไรเลยแม้กระทั่งเขาจะมาฆ่าเราจะยอมให้เขาฆ่าแต่จะฆ่ายิงจริ ง, งแต่ถ้าวิ่งได้ก็จะวิ่งหนีก่อนนะโยมไม่อยากหมายถึงจะอยู่ให้กล้าหรอกใครจะไปอยู่ให้กลาเนาะมาเคยดิเคยมีอยู่ทีหนึ่งสอนพระมากๆเลยพระก็ชักมีดมาเลยนะพกมีดเลยนะ เป็นพระติ้งต้องอาถรรพ์ง่ายๆแล้วเป็นตำรวจเป็นโรคประสาทกินยาโรคจิตมาเราก็เตือนกันแต่มาเป็นคนที่เตือนคนเนี่ยไม่เคยเพราะนะถ้าเตือนไม่เพราะเอาเลยจะมาเพราะกันได้ยังไงก็เตือนเนาะนะไปชีก็ทาไมทาอย่างนี้ปรากฏว่าตอนเช้าตีสามพระลุปนี้ตีคลองลั่นวัดเลยนะคลองลูกเนี้ยตีมงมงมงมงมงตอนที่อยู่สลาก่ เราก็ไม่มีนาฬิกาดูเอ๊ะตะวันนี้เป็นอะไรตื่นไม่ทันเนี่ยโอ้เพื่อนตีกล้องให้เราแอ้วเอนุ โ, นโมตนาจิางใครเนาะตื่นมาตีกล้องเราเองตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันพอมาถึงปั๊บดูนาฬิกาเฮ้ยตีสามเอ๊ะนาฬิกามันไม่เดินแล้วไงเนี่ยเสียงกล้องดังว้านาฬิกาทำไมตีสามพอมาดูเอา้าพระนั่งคอยเราอยู่รูปหนึ่งไม่ได้ปูที่นั่งแบบนี้ด้วยนะ ท่านนั่งอยู่ตรงนี้หลวงพี่มันนี่หลวงพี่ผมไม่ได้ตีค้องทำบ้านนะผมตีค้องเรียกหลวงพี่มาคุยกันนก็เรียกอรรมามาคุยกับเอ า, า, าเจารย์นั้นได้ศึกเลยออกมาให้ศึกเลยไล่ศึกเลยคุยไปเนี่ยมันบาปเลเนี่ยเรื่องราวที่ผมเตือนนันเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้นะขอโทษจริงๆถ้าทําให้ทุกข์นะ่โอ้ยกราบเลยนะ สัปปตาปียโยมิสัปปตาปียโยมิสัปปตาปียโยมิสปากรุกาปียโยมิสปากรุกาปยโยมิอัเตสมะอานาุกาโยปีโยปายิงตาสะะมิขอโทษทันทีเป็นบาลีปรากฏเพื่อนรับไม่ทันรับไม่ทันไม่รู้ว่าพูดอะไรเนี่ยอันนี้กาลังทำสามไมกิดเนียหรือว่าขอสารภาพบาปเลยจะทาให้ทุกเนยเพราะนั้นเนี่ยตองทองกันพระสงฆ์เนี่ย ถ้าเจอมุกนี้เข้าไปรับไม่ทันเนี่ยมันล่วงเลยนะปรากฏว่าพอสัปดาห์ปฏิโยมิเนี่ยแกรับไม่ได้คาว่ารับไม่ได้คือไม่สามารถต่อบทต่อไปได้มันก็จบแล้วล่ะท่านนั้นก็รู้แล้วไม่ใช่พระเพราะฉะนั้นจะคุยกันนะไหนลองอาลาัลนาสีให้ฟังหน่อยด้ทะเลาะ ก, กันเนี่ยจะจะมาคุยกันนะคุณมีศีลหรือเปล่าอาลาัลนาศีได้หรือเปล่าท่องศีลได้หอดหรือเปล่าถ้าไม่ท่องก็ต้องมาคุยกันเลยนะคุณไม่มีศีลแล้วจะมาทะเลาะ ก, กันเนี่บบยระเบียบวินัยไม่มีเลย รสึกอย่างเดียวเท่านั้นได้ศสึกเลยยอนั่นน่ะ mm hmm. ต้องพาตัวเองไปหาหรวงพ่อเขียนไม่ให้อยู่ให้้สึกอย่างเดียว mm hmm. เล่นกันบทนี้ก็เล่นเลยปาก็ว่าชักมีดชักมีดเอาไวา้อัตมาก็มองเลยนะมีดนะ mm hmm. มองเฉยเฉยเลยแทงก็คือแทงมีปสติหลบทนัน่กแล้วแหละอาการอย่างนี้นรู้เลยว่าคุณจะมีอารมณ์ ถ้าคุณมีอารมณ์คุณไม่ไว้เท่าเราหรอกเรามีสติมากกว่ากําลังเราก็ดีเพราะเราเดินจงกรมทั้งวันเขานอนทั้งวันมันต่างกันนะเราเดินทั้งวันนะยายันมืด้ยายันมืดเนะเราแข็งกว่านะวิ่งก็วิ่งได้นะอันนั้นก็รูปหนึ่งไล่สุดไปอีกรูปนึงก็คือกําลังพานะัแ่งบาบดไปบาดอยู่แซวมาแซวเดินไปเดินมา เด็บสาวเบาอยู่ตายตายตายตายตายตะโกนอย่างเงี้ยลั่นเลยนักเรแบ็ทําตกใจไหมอยู่กำลังเดินอยู่จงกรมอยู่ห้าหกสิบคนอาจารย์ตุ้มก็ตกใจช่วงนั้นอาจารย์ตุ้มมาดูแลช่วยกันเวลาเข้าเขาอาจารย์ตุ้มก็มาอยู่อาจารย์ตุ้มงงเลยหน้าครับบจ่อยๆเลยวันนั้นนี่เอ๊ะไม่เกิดอะไรขึ้นอาดมาเขาเอาละเดี๋ยวขอทําหน้าที่กัน ก็เดินตามไปก็เดินออกไปหน้าบ้านแม่สุดเดินไปตามรั้ววัดเดินไปป่าโยคะร้องเพลงตะกโกนลั่นหมู่บ้านตอนคืนหมาหาบ้านแม่สุดก็ไล่เห่าเป็นฝูงอลไไล่พระลูกนี่อะไรมันก็เดินเดินเดินเดินตามไปคือเขาเดินล่วงหน้าไปแล้วเราก็เดินพยายามจะเดินตามให้ทันไปทางนี้แหละตามเสียงหมาไปทันไปทันอยู่ตรงรั้วบอกยุดยุดพี่นุ่มยุดยนี่ไงนะกตะโกนบอก เขก็ไม่หยุดเขาก็เดินร้องเพลงไปเรื่อยๆกนะ็ได้ยินแล้วว่าเราเรียกเขาก็เลยตะกรอนตะกนบอกเขาไปว่าเออถ้าบ้าก็วิ่งต่อไปแต่ถ้าไม่บ้านี่ให้หยุดนะอนนาร์ตะกนบอกเขาไงถ้าบ้าก็วิ่งต่อไปเดินต่อไปวิ่งต่อไปเลยแต่ถ้าไม่บ้าเนีให้หยุดนะปรากฏว่าเขาหยุดตอนนั้นนอมากเสียเหมนกันนะตอนที่บอกอาตมาบอกเขาหยุดหยุดหยุดนะความรู้สึกนั้นอมาแว่กวนเลยเอะ อาตมาเนี่ยเหมือนองค์กลริมาณวิ่งไล่พระเจ้าเลยนะแต่แกเกิดหันมาบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดอาตมานะโอ้โหจะทํำยังไงจะเจอมุกนี้ก็ไปเลยปรกากฏเขาหยุดก็เลือกหยุดแล้วเขาก็ยังร้องเพลงอยู่อาตมาก็เลยถามว่าทําไมทำอย่างนี้เดินไปหน้านักปฏิบัติทําไมแล้วไปตะโกนอย่างนั้นฟังชาวเบ้าเนี่ยสำนัสารลูบพระเนี่ยก็ทําอย่างนี้ก็ได้ก็เขาก็ยังไม่ฟังนะเขาก็ยังติ้นแบบเ ย, ออย่อเอ่ะ ตอนนั้นนอามากันเลยขอโทษครับหลวงพี่ปนมมือขอโทษแล้วก็หยิบไม้ตรงข้างๆนะไม้ยูคาหักมาเป็นสองท่อนนะดุนใหญ่ไปสมควรแล้วก็จับปลายที่เล็กที่สุดแล้วก็ตีเต็มแรงเลยตีเต็มที่เปลี่ยนอารมณ์ที่กำลังบ้าๆอยู่นะให้มันโกรธให้มันออกจากบ้าๆมาโกรธกันพอลมโกรธมันออกง่ายแล้วมันยามก็ซัดเต็มที่สองทีก็เท่ากับสี่ทีนะเขาก็บอกว่าฆ่าผมเลยฆ่าผมเลยฆ่าผมเลย น้องพี่ฆ่าผมเลยท้าอีกอาตมาก็เดินย่างสามขุมเลยอัดแน่งานเนี่ยจะเหลืออะไรเรากวิ่งกลวยแนบมาวิ่งไปเนะ่วิ่งเข้ามาทางประตูพ้าโล้นเนี่ย น, นั้นเวลามาแข็งเนี่ยก็แข่งแต่ถ้าอ่อนไม่ว่าอะไรือไม่ว่าแต่ตอนหลังนี่ไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะแล้วแต่จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปไม่เตือนแต่ยุคนั้นนี่มันเป็นยุคที่พระน้อยนะ เพราะนั้นการดูแลกันง่ายเดี๋ยวนี้ยพระเยอะแั้นต้องระมัดระวังกันให้ทุกคนเข้ากรรมฐ า, านแลนะ้วจบจะมากี่วันก็ตามเข้ากรรมฐ า, านเืกินไหวรู้สึกนะแล้วก็จะเรียบร้อยว่าทุกคนอยู่ในความรู้สึกตัวนะทุกคนไม่ทําตามความคิดไม่ทำตามความอารมณนะ์ไม่ล่วงละเมิดต่อพระวินัย่างเงี้ยอันนี้ยก็เรียกว่ามีศีลนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว